เป้าหมายที่เราสอบรมเพื่อจะได้รู้ว่าที่เรามาปฏิบัติกันสามสี่วันวเนี่ยเข้าใจถูกไหมสิ่งที่หลวงพ่อนำเสนอทุกวันเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ถูกกลับไปอยู่ไม่ได้เลยเลยนะหลวงพ่อถามว่าเามื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาปฏิบัติโดยวิธีนี้เนี่ยความสบายกายความสบายใจมีอยู่ไหมมี ความไม่สบายกายไม่สบายใจมีอยู่ไหมมีถ้าความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเราตามมันไปหรือเราแก้มันบางคนก็เพราะว่าตามมันไปบางคนก็แก้ทีนี้แก้มีสองอย่างหนึ่งแก้ด้วยการหนีมันไม่สบายตรงนี้หนีไปตรงนั้นไม่สบายเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นอยู่ที่นี่ไม่สบายเป็นี่วิธีแก้ของเราที่ที่แล้วมาใช่ไหมแต่พอมาปฏิบัติที่ปัสศนาแล้ววิธีแก้ ถ้าไม่สบายกายก็แก้ที่กายไม่ต้องนีใช่ไหมถ้าไม่สบายใจก็แก้ที่ใจไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดหาวิธีแก้ให้ความไม่สบายใจนี่แหละให้ได้แล้วก็ไม่สบายกายก็แก้ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราจะปรับมันแก้หรือี้ปรับคือการการมาปฏิบัติที่พิจารณาคือมาหาเหตุของทุกทุกมีสองอย่างใช่ไหมทุกกายกับทุกใจ ถ้ามันทุกข์ที่กายแค่แก้ที่กายหาเหตุที่เจอหาเหตุที่เจอเพื่ออะไรเพื่อแก้เพื่อละแต่ว่าทุกทุกคนมีเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักทุกเนี่ยเวลาทุกข์ขึ้นมาเราไม่รู้เราทํำไงเราหนีเราหลบใช่ไหมเราหนีเราหลบเรากลบโกกเกลื่นเราไปไปไปทำเรื่องอื่นใช่เพราะฉะนั้น ให้นําไปใช้นะคือหมายความที่เรามาฝึกเนี่ยที่เรามายกมือเนี่ยเหมือนกับเรามาเรียกแขกเข้าบ้านคือเรียกใจกลับมาถามว่าเมื่อเรียกแขกเข้าบ้านเรียกใจกลับมาแล้วต้องมีที่อยู่ให้เขามีที่กินให้เขาใช่ไหมตามปกติแขกเข้ามาว่าต้องหาที่อยู่ที่นอนให้เขาต้องหาที่พักให้เขาเข้ า, ขามาอะไรเชิญเข้าไปในห้องคุยธุระอะไรก็ตามความเหมาะสมะนะจิตของเราที่มันพยายามหนีออกไปแล้วพอเรายกมือมันกลับเข้ามา ต้องหาที่อยู่ให้เขาแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักว่าจะให้อยู่ที่ไหนเนี่ยสมมุติว่าดึงใจกลับมาแล้วถามว่าจะให้เขาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจไมใ่ใจเป็นตัวตัวเข้าตัวออกใจเป็นตัวแขกใช่ไหมเขาอยู่บ้านเขาไม่ดีหัวเรามาบ้านเราทำไมใชม่แต่นี่เขาเรียกเราเรียกกลับมาที่บ้านเพราะเขาเคยอยู่แต่เขาหนีไป ใจเราเคยอยู่กับกายสมัยเด็กสมัยเด็กเราไ ม, ม่มีความทุกข์และสนุกใจใช่ไหมแต่โตมาทําไมไม่มีความทุกข์เพราะมันหนีออกจากบ้านหลังนี้ไปมันต้อทุกข์แต่ที่นี้เรามาปฏิบัติพิพิชณาให้รู้จักว่าเออเนี่ยบ้านเดิมมงเลยนะมึงต้องกลับมาแต่ในเขาเรียกเขากลับมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เตรียมที่อยู่ให้เขาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะที่อยู่เดิมเขาลืมหมดแล้วเพราะนั้นที่อยู่ของกายที่อยู่ของใจคือกาย กายนี้คือถ้ำใจนี้เป็นผู้อาศัยถ้ำแต่มันชอบไปโดยที่ไม่มีกายดังนั้นที่อยู่ของเขามีสี่หนึ่งกายานุปัสนาสติให้ตามดูกายตามดูกายดูอะไรดูการยืนเดินนั่งนอนที่เราสวดการอิบทย่อยภัพตาปากหายใจใช่ไหมอิบทใหญ่มีอยู่สี่ห้อง คัดชันด้นตัวคัดชามิติประญานติเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่อันนี้ใจอยู่ให้รู้ว่าการเดินนี้ห้องที่หนึ่งใช่ไหมเอาเวลาเราไปนั่งคุณรู้จักนั่งไหมเวลาคุณนั่งลงคุณรู้สึกไงรู้สึกหนักหน่วงที่แตโพกใช่ไหมแล้วเวลานั่งกับพื้นหน่วงที่ขาด้วยอ่าแล้วก็เวลานั่ง นั่งตั้งหลายยบีบวดนั่งตรงนี้ไม่สบายไปนั่งตัวตั้งสิกว่าดีบวดที่หลพ่อพาทําแล้วก็ติดตัวติโตมหีติเ ม, ah okay. มื่อยืนให้ดูชัดว่ายืนขณะที่ยืนคุณรู้สึกไงเวลานั่งรู้สึกหนักที่สะโพกที่หลังที่เอวที่ไหล่ที่ขาใช่ไหมเวลายืนหนักที่ไหนที่เท้ารู้สึกสบายกว่านั่งไหมเวลายืนยืนเวลายืนไปนานๆสักคืนชั่วโมงไปไงเหมือนเดิมไหม เรไม่เหมือนละใช่ไหมลึกปวดลึกหนะแเราก็เดิน เ, เดินสบายหนะ่อมีการเคลื่อนไหวแต่ทางปติที่เราไม่ได้มาฝึกเวลาเราเดินใจเราอยู่ที่นี่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในความคิดเหมือนเดิมอะ่ะยิ่งเพลินยิ่งเดินยิ่งสนุกใช่ไหมแต่ไอการที่จะมารู้ว่าเท้าเหยียบเท้าย่างเท้าหยุดเท้าหมุนเนี่ยรู้สึกตัวไหมให้มารู้ตรงนี้ชัดๆอันนี้เขาเรียกว่าในอินีบทสี่ยืนเดินเมื่อวานพานอนเป็นไงสบายกว่าไหม คนก็หลับไปเลยนะอืหลับไปเลยเออชอบอิเดียบทเนี่อย่าให้มีบอ่อยๆอย่างสิบ้านาทีไม่พอขอครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันมันอยู่สบายใช่ไหมอันนี้สบายนี่คือในท่าอเดีบทเรามีอยู่สี่ห้องใหญ่ๆเราเคยอยู่จริงๆจริงจังไหมไม่ไม่เคยอยู่หรอกเพราะมันไม่รู้จักแต่เรามาปฏิบัติพิจารณาเพื่อแนะนําให้รู้จักที่อยู่ของจิตอันที่หนึ่งคืออิเดียบทสีต้องให้รู้จักอยู่ อยู่ชัดๆประชานาติข้าชั่นโตวาข้าชามีติประชาอันนี้พระุทธเจ้าท่านตรัสน้ามาไม่ได้ว่าเอาเองนะง่ายๆคาสอนพระุทธเจ้าที่โตวา่าที่โ ต, โ ต, โตมหิติประชานติไม่ยืนให้รู้ชัดๆว่ากําลังยืนนะนิสินโนว่านิสินโนมหิติประชาทิเมื่อนั่งให้รู้ชัดๆว่าฉันกําลังนั่งนะแล้วก็นั่งก็นอนสยานโนวาสยโยนาสยานุมหีติเมื่อนอนก็ให้รู้ชัดๆว่านอน สบายไม่สบายให้รู้สัดชัดแล้วพอมาอรียบทย่อยที่เราสวดเมื่อวันก่อนว่าอะไรนะเมื่อเดินก้าวหน้าอะไรอภิกันเตใช่ไหมให้รู้จักว่าเดินไปข้างหน้าปฏิกันเตสัมปชาญญะกาลีโหตินมุริยะท่านตัดให้รู้ชัดๆัดว่ากําลังเดินถอยหลังเดินก้าวหน้าหรือถอยหลังอัไหรู้สึกสบายกว่าเข้าหน้าเ้าหน้าสบายกว่าถอยหลังรู้สึกไม่สบายแต่รู้สึกตัวดีใช่ไหมรู้สึกตัวดี ก้าวหน้าทอยหลังเลียวซ้ายอะโลกิเตวหลกวเกตสองล้วเคยไหมที่จะเหลียวซ้ายอย่างเจตนาเคยเตเคยตอนไหนตอนคอตกหมอนเวลาเลียวมันเลียวทั้งไงทั้งตัวเลยใช่ไหมมันเลียวแต่คอไม่ได้มันเหลียวมันเลียวทั้งตัวเลยคอตกหมอนเออเลียวเลี้ยวแหลงไม่ได้มันเจ็บคอถูกบังคับให้รู้อ่ะนะเลียวซ้ายไหลขวาแล้วก็ สัมมินชีเตปาสาลิเตสัมปชาญะการิให้รู้สึกตัวทุกความใราการคูเหย็ยดออกปาสาลิเตคูเข้าสัมมินชีเตะหลวงพ่อเทียนก็เลยเอาคูเข้าเย็ยดออกมาเป็นการสร้างจังหวะเสล่มันทำได้นานกว่านะทั้งหมดเจ็ดที่บทเยอยนะการ ห่มผ้าการแต่งตัวการอาบน้ําเข้าห้องน้ําห้องสวมการกินการดื่มการเคี้ยวการริมการหลับการนอนการพูดการนิ่งที่เราสวดมาจําได้ไหมนั่นคือที่อยู่ของเราบุตเลยนะห้องเล็กห้องน้อยแต่เราเคยอยู่กับมันจริงๆไหมไม่เรามีแต่มาท่องเที่ยวออกไปข้างนอกในวัดตาสงสารมีความคิดมันไปเอามาถามโยมสมส่วนบอกว่าตั้งแต่มาทำข้าววัดรู้จักพระมาเนี่ยรู้จักวิธีแก้ทุกข์เป็นหรอย่าง ยังไม่เป็นโรค ก, กุหลงรู้จักวิธีลดโรคปูหลงหนระือยังยังไม่รู้อ่าวรู้จักข้าพบะทั้งนานทาบุญบะทั้งนานทำไมไม่รู้เพราะเขาไม่ได้สอนนะก็เลยถามว่าโรค ก, กุหลงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาจากอะไรไม่รู้อบอกไปหลายรอบแล้วเนี่ยจำไม่ได้ในคลองไหนเนี่ยไม่มีน้ําเราเรียกว่าคลองไหมไม่ได้เรียกในปลาอยู่ที่ไหนที่นั่นมีน้ําปลามันอยู่ได้ไหม ไม่ได้ที่ไหนไม่มีความคิดโลกปกุ๋หลงมาอยู่ได้ไหมที่ไหนไม่มีความคิดแล้วเรียกมีกิเลสเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปจัดการกับโลกปกุ๋หลงให้เสียเวลาคุณมาจัดการกับใครจัดการกับความคิดเรื่องเดียวใช่ไหมจัดการมาให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดคิดนะแต่คุณจัดการมันจัดการอย่างไรถ้ามันคิดไม่จําเป็นคิดไม่เป็นเรื่องคิดไร้สาระทําไง เอามันออกไปใช่ไหมอันนั้นมันคิดเรื่องดีคิดมีสาระคิดแล้วเป็นประโยชน์ทํามันให้ได้ใช่ไหมนี่เรียกว่าจัดการคิดมากแสดงวิสารื่อยสาระก็มีทางสาระเลยไม่มีสาระเราจะเลือกเอาอันไหนเอาที่มีสาระแล้วเลือกเป็นหรือเปล่าไม่เป็นปนกันมั่วเลยเพราะอะไรเพราะยังจัดการไม่เป็นอย่างเงี้ยจัดการไม่เป็น ไม้นี่นะถ้ามันอยู่ตามป่าถ้าเราไม่จัดการมันมันจะเป็นบ้านได้ไหมไม่ได้มันก็อิเลคเคคาถูกเผาถูกผุถูกทิ้งไปใช่ไหมแต่พอเราไปจัดการมันไปเป็นแผ่นดินเนี่ยถ้าเราไม่จัดการมันจะไปเป็นอิฐให้บ้านเราได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นดินเหมือนเดิมเลยพอจัดการปั๊บมันกลายมาเป็นอิฐเป็นบ้านใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นความคิดเหมือนกันมันเข้ามาแต่ครั้งอิเลเคคาไปหมดแต่เราต้องจัดการวิธีจัดการมันก็คือวิชาวิปัสนา นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องวิปัสสนานะก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่มีคําว่าวิปัสสนามาก่อนมีแต่คําว่าสมถะมีแต่คําว่าฌานมีแต่คําว่าตัวสงบแต่ว่าไม่มีวิธีจัดการกับจิตเพราะฉะนั้นใครจะเข้าสงบไปกี่ชัน้นกี่เชิงได้รีดเด็ดปฏิหารอลังการขนาดไหนก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะมันเป็นลดโรคกูหลงไม่ได้นะดังนั้น พระไหนที่มีอิทธิปฎิหารหลากหลายมากมายอาชิจันคุณจะไปสนใจเลยไม่มีประโยชน์เพราะมันลบกิเลสไม่ได้แต่มันมีประโยชน์ตรงที่หาเงินได้เท่านั้นแหละหลอกคนได้เท่นั้นลยใช่ไหมถ้าหลอกคนก็โง่ได้ถ้าคนฉลาดก็หลอกเขาไมได้อีกดังนั้นในวิธีการของพอเทียนนั้นเป็นวิธีการเพื่อที่จัดการเรื่องความคิดให้ได้เพราะความคิดมันเป็นสมบัติเหมือนกับดินเหมือนกับดินน้ํารวมไฟทั่วไปเนี่ยบ้านหลังนี้มาจากท่าดินทั้งหมด แต่ถ้าดินทั้งหมดก็อยู่นั่นคุณเหยียบมันทุกวันะมันเป็นบ้านให้เราเป็นหลังได้ไหมไม่ได้จนกว่าเราจะรู้วิธีจัดการคุณเอาดินมาทำบ้านได้ทั้งหลังเลยส่วนไหนจะเป็นอิฐชุนไหนจะเป็นปูนชุนไหนจะเป็นไม้ก็จัดการมันได้นะความคิดที่มือนกันในเนี่ยมันประสมปนเปนกันมันมีทั้งแปดอย่างความคิดอะ่ะเดีหลวงพ่อพูดไปวันแรกได้ไหมจาได้ไหมแปดอย่างหนึ่งความคิดที่เป็นสัตว์นรกความโมโหฉุนเฉียวใช่ไหม ใจร้ายขาดีตีฟันแช่งด่ากันมีไหมที่บ้านมี่นเรื่อความคิดของสันนิษมีอยู่ในใจของทุกคนสองความคิดที่เป็นเปล็ดอยากได้คิดดากมักได้ได้หนึ่งไม่พออยากได้สองได้หันไม่พออยากได้มื่นอยากได้มื่นไม่พออยากได้แสนบ้านหลังเดียวไม่พออยากได้สองหลังมีเมียคนเดียวไม่อยากได้สองคนอีสามีคนเดียวไม่พออยากได้สามคนอย่างเงี้ยนะมีอยู่ใช่ไหมความคิดเป็นเปรดเรามีอยู่ ความคิดเป็นอสุรากายเป็นอสูรคืออยากจะครอบงําเพื่อนอยากจะคุมเหนนงคด e n ง i n g ไลเพื่อนอยากจะมีอานาจมากกว่าเพื่อนอยากจะมีอิทธิพลมากกว่าเพื่อนอยากจะสั่งคนได้พวกนี้เ็อสูรมีใช่ไหมบางครั้งเราก็สั่งน้องเราไม่ทําตามบริการเลยสั่งลูกเราหรือสั่งลูกน้องเราโดยที่ไม่มีทำนะเขาก็ทําแต่เขากลัวเราไงแล้วความคิดเป็นอสุรากายไอ้เป็นเปรตเป็นอ่าเป็นเดรัจฉานนะ เป็นเดชานคือความคิดที่จะเอาชนะข้าคานคนอื่นโต้แย่งขัดแย่งถูกเถียงเอาชนะข้าคานกันไม่ยอมกันสู้กันด้วยคําพูดสู้กันด้วยอํานาจสู้กันด้วยอิทธิพลชู้ด้วยเงินตราเป็นความคิดของเดชานเป็นสัตว์อยู่นะความคิดเป็นคนดีบ้างชั่วบ้างถูกบ้างผิดบ้างมีธรรมะบ้างไม่มีธรรมะบ้างความคิดเป็นมนุษย์เดิมมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลพูดรู้เรื่องเข้าใจอะไรได้ง่าย ความคิดเป็นเทวดานอกจากมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมแล้วยังมีเฮริโอตาปะอายโชกุโรปะไม่ทําบาปดังที่รับที่แย้งมีอยู่นีพวกนี้เป็นความคิดเป็นเทวดามีอยู่ในใจเราไหมมีอยู่ใช่ไหมความคิดเป็นพรหมบางครั้งเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เป็นบางครั้งบางคราวอันนี้เราจิตของพระพรหมมีอยู่ในใจเราไหมมีทั้งหมดในแปดสภาวะความคิดแต่ละวันเนี่ย ถ้าหากว่าเรามีความคิดสภาวะไหนมากกว่าเราเป็นอันนั้นถ้าเราเป็นคนมีคนใจเย็นมีเหตุมีผลมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นนิสัยคนนั้นเป็นพระพรคนไหนมีความงดงามความสะอาดความเรียมร้อยนิสัยมารยาทงามมีฮีเลโอตาปะเป็นคนเกรงใจคนเป็นคนให้เกียรติคนเป็นคนเคารมคนอาน้อมถม่อมตนคนนั้นเป็นเทวดามีใช่ไหมบางครั้งเรามีไหม มีมากหรือมีน้อยถ้าคุณมีมากคุณก็เป็นเทวดา <c oughs> เราเรียกมนุษย์สเทโวใช่ไหมบางครั้งแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาดีบ้างชั่วบ้างถูกผิดบ้างผิดศีลบ้างมีศีลบ้างใช่ไหมแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาทุกบ้างทุกจนบ้างรวยบ้างสลับกันไปสลับกันมานี่แล้วก็คือเป็นมนุษย์นะบางครั้งแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่ยังไม่แน่นอนเอาอะไรไม่ได้นะยังไม่แน่วนไปวนมา เป็นอันนี้นิดเป็นอันนี้หน่อยไม่พอจะพึ่งได้เมั้งกะคนมาจากคาว่าละคนไงคนนี่เป็นคาว่าเป็นเซนเตอร์นะละคนด้วยสิ่งแปดสิ่งคือบายภูมิสีและสุขติภูมิสี่อายภูมิมีอะไรบ้างสนนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมีในใจเรานะเทวดามนุษย์เทวดาอินพรมอริยะ อริยะเจ้าคมีอยู่ในใจเราบางครั้งปฏิบัติแล้วเกิดการปล่อยวางเกิดการทําจิตทําใจเป็นเกิดการมีความเมตตามีความให้อภัยแล้วก็ปฏิบัติทำวิปัสนาอยู่เสมอเสมอคนนี้เป็นเริ่มเป็นอริยะบุคลลคลแล้วจะเป็นโซดาสกินอาคาอาคาอราหตามีทั้งสี่ภาวะแล้วจะเป็นอะไรทั้งหมดนี้มียีสิบสองสภาวะในจิตเราอวัยภูมสี 4, สุขติภูมสี 4, อริยภูมิสี่สบสองสภาวะนในจิตเราแต่ละวันนะแต่ถ้าหาว่าคนไหนมีอันไหนมากกว่าเราเป็นอันนั้นแล้วตรวจสอบตัวเองได้ไหมตรวจสอบได้นะ<ม>เพราะฉะนั้นในแต่ละในแต่ละวันในแต่ละวันเราจะต้องพยายามตรวจสอบ<ม>เราอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นมนุษย์ก็ได้อยากจะเป็น เทวดาก็ได้อยากเป็นอินเป็นพภูมก็ได้อยากเป็นพระอริยะก็ได้อยากจะเป็นสัตว์นรกก็ได้อยากจะเป็นเปรตก็ได้อสุรกายได้เดรัชานก็ได้แล้วเราจะเลือกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสนาทําให้เราเลือกใช้สิ่งต่างๆได้เป็นบางครั้งเรลือใช้เลือกใช้สุขก็ได้บางครั้งเลือกใช้ทุ ก, ก็ได้บางครั้งเลือกใช้สิ่งที่เหนือสุขเหนือทุกข์ก็ได้ บางครั้งเราจะเป็นต้องทุกข์นะต้องเลือกใช้ถ้าคนไม่ชอบทุกข์เป็นไงทํางานทุกข์ไหมไม่ยินทุกข์ทำงานเป็นทุกข์ไหมไปทุกข์ทำไมต้องโดนทำอะ่ะอาะอ่อนนานแต่ถ้าทุกข์ด้วยความเต็มใจนั้นเขาเรียกว่าเลือกใช้เป็นไฟในบ้านถ้าเราไม่เลือกใช้มันจะได้กินข้าวไหมเนะี่ยมันจะมีแสงเสาหางไหม ถ้าเราเลือกใช้ถ้าเลือกใช้เราจะเลือกใช้เราต้องติดระบบใช่ไหมต้องการแสงสว่างก็เอาช่างมาทําระบบไฟให้เกิดแสงสว่างต้องการหุงค้าวตุ้งแกงก็เอาคนที่เขาติดแก๊สมาติ ด, ต, ดติดให้เรา<ม>ใช่ไหมบางครั้งความทุกข์เราจําเป็นต้องเลือกใช้ถ้าคนทุกไม่อยากทุกเลยเป็นคนอะไไม่ยอมทุกเลยอ่ะเป็นคนอะไรค น, นไมมีความคิดหรอไม่โยมเป็นคน ลูกในบ้านดูสักสีห้าคนนี่นะไอ้คนไหนมันไม่ยอมทุกข์เลยไอ้คนนั้นใช้ได้ไหมเขาเรียกคนอะไรคนขี้เกียจสันหลังยาวใช่ไหมเออไอ้คนนี้มันตุกตกถูกแล้วจากบ้านมันไม่ยอมทุกข์เลยอ่ะใช่ไหมมันต้องทุกข์แต่ว่ามันทุกข์ให้เป็นไอ้คนไหนขยันนะขยันยมรักนะนะไอ้คนนี้ทุกข์ไหมทุกข์แต่มันเลือกทุกข์เป็นมันสมองใจทุกข์เอาตัวรอดได้ ขยันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขนะทุกแต่มันทุกด้วยความรู้สึกตัวมันเห็นประโยชน์ของความทุกมันใช้ความทุกเป็นอ่านี่เขาเรียกว่าเลือกทุกเป็นเลือกสุขเป็นบางครั้งก็ต้องสุขบ้างนะแต่ไม่หลงสุขบางครั้งก็เลือกอยู่เหนือสุขเหนือทุกบ้างคือปล่อยวางเป็นใช่ไหมถ้ากลับไปบ้านเนี่ยถูกสามีต่อว่าไปทำไมทั้งสี่ห้าวันกนะูเสียการเสียงานเหมือนมึงไม่อยู่บ้างโอ้ถ้าเราเลือกไม่เป็นเป็นไง ยักษ์ได้ลบกันเลยทีเนี้ ย, <laughs> ยักษ์โขนยักษ์ขี่นีได้ลบกันเลยแต่กลับไปพอสามีว่าเฉยแลยยิ้มเฉยฉันไปสีห้าวันพรไปทำไมรู้ไหมพี่ฉันไปเอาบุญมาให้พี่อานุมโมทนาใชนะยิ้มสบายเขากำลังโกรธพุ่งพุ่งพุเขากลกักเราเป็นต่อไหมเขากลัเราต่อได้ไหมงงเลยเ อ, อีนิ่มเป็นไงเ <laughs> มื่อก่อนได้ลบกันเรพูดแบบนี้แต่เดี๋ยวที่มันยิ้มเฉยเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหารู้ไม่ว่าเราขนาดนั้นเราอารมณ์เราเป็นอริยะเจ้าแล้วใช่ไหม เราอยู่เนื้กนโกรูดเนื้อลบกเนื้อหลงได้แล้ว ไ, ไ, ไ, มไมชี่ต้องชี้แจงตอนนั้นอารมณ์คอเสียเขาไม่ฟังอะไรหรอก <c oughs> ยิ้มให้เขาลูหลังเขาเอาน้ําเย็นไปเขากินอ่ใจเย็นพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันวันนี้น้องพาไปเรียนโอเคไหมมันก็หน้าแดงลิงตึงต่างเขาเย็ยยยนลงทันทีเลยใช่ไหมยิม้มอ๋อใช่ไหมนี่คือผลของการที่เราเลือกเป็นน่ะแต่ว่า เราจะทันมันไหมขนาดเองนะเราจะทนะันอารมณ์ตัวเองว่าตึงๆตัง้งขึ้นมาเนี่นะส่วนใหญ่ไม่ทันนะใช่ไหมมึงมาพาโวยแล้วเงิน อ, อะไรว่ามึไปประทับดีๆมามึงทําไมว่าเอาละลบกันเลยรทเราก็หลุดเหมือนกันในะตอนนั้นนะใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสติเราดีเราไม่หลุดเป็นเข้าไปลู่หลังใจเย็นพ่อมาจูงแขนมาไปที่ด้วยเย็นอะกินน้าเย็นให้ใจเย็นเย็นเลยก่เดี๋ยวค่อยๆกันใจเย็น เขาจะโกรธต่อต่อได้ไหมถ้าเราเราเราเจอบทเนี้ยกูแล้วต่อได้ไหมไม่เขางงเลยเนะเขางงเพราะฉะนั้นไอภาวะที่จิตเป็นอริยะเนี่ยเราทําอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเนี้ยเราต้องแสดงให้เป็น <c oughs> ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นสติเราดีนะแต่วันต่อไปไม่ใช่นะวันต่อไปสติมันเริ่มจางแล้วมันสักขุนมัวแล้วช่วงไหนสติเราดีเราเล่นเป็นเราเล่นบทเป็นมันเกิดปัญญาสติมาปัญญาเกิดเนี้ย อ่าสติเตลิดไปไงเกิดปัญหานะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาบ่อยๆมันพลิกสถานการณ์เป็นมันแสดงละครเป็นแล้วก็แสดงละครนี่ดีหรือไม่ดีแหละแสดงบทเนี่ยใช่ไหมมันก็ดีก็ต้องแสดงไปสิแต่วันหนึ่งมันกลายเป็นนิสัยอะแสดงบ่อยๆเดี๋ยวมันกลายเป็นนิสัยแสดงสิ่งที่ดีๆเปน็นนิสัยเดี๋ยวมันก็นิสัยดีก็เกิดขึ้นกับเรา เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าคำสองคานะมาจากรากศัพท์เดียวกันแต่คนละเรื่องเลยคําว่ามายากับคําว่ามารยาศัพท์เดียวกันไหมอ่าแต่คนละเรื่องเลยใช่ไหมเพราะว่ามายานี่หลอกเขาแต่มารยาณ์นี่ทาเป็นไงใช่ไหมความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามคนอื่นเห็นเขาก็ยชมเป็นศิละปะใช่ไหมแต่ศัพท์มาจากอันเดียวกันมายากับมารยาท หมายควบางอย่างเราจะต้องแสดงถ้าการแสดงสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ขเขาเรียกมารยาทแต่การแสดงเสียประโยชน์ไม่สมเหตุไม่สมผลเรียกว่ามายา illusion นะ illusion เพราะฉะนั้นเองก็อาการของจิตเนี่ยมันเป็นร้อยเป็นพันอาการแต่ถ้าเราฝึกให้มันเป็นสิ่งที่ดีบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยและเป็นมารยาทที่ดีกับเรา แต่ถ้าเราฝึกในสิ่งที่ร้ายๆบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นวาสนานิสัยที่ไม่ดีก็บเราใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราต้องการวาสนาแบบไหนให้เราแสดงสิ่งนั้นบ่อยๆต้องการวาสนาคุณส่วนใหญ่ต้องการวาสนาดีใช่ไหมแต่เวลาไปแสดงเป็นแสดงดีไม่ได้ไม่ ด, มดีแสดงไม่ดีเป็นนิสัยมันก็ได้วาสนาไม่ดีอ <c oughs> อันนี้วาสนาไม่ดีใช่ไหมเพราะอะไรแสดงสิ่งที่นิสัยที่ไม่ดีบ่อยๆ เดีอันนี้วาสนาดีเพราะมันแสดงนิสัยดีบ่อยๆวาสน า, มาเมล็ดีนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างใจเนะี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนั้นการมาฝึกวิปัสสนาคือมาฝึกเลือกใช้ใจให้ถูกให้ถูกกาลเทศะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากมันนะแต่การที่เราจะเลือกเป็นเนะี่ยอย่างสมมุติว่าเราไปซื้อทองเนะี่ย ถ้าเราไม่รู้จักทองมาก่อนเราจะเลือกเป็นไหมว่าอันไหนเป็นทองดีอันไหนทอมเกลือนเป็นทองแปดสิบเก้าสิบร้อยเปอร์เซ็นดูไมโดยเฉพาะอยู่ที่แม่สอนเนี่ยนะต้องต้องเลือกอัญมณีเป็นใช่ไหมถ้าเลือกไม่เป็นแล้วคุณถูกถูกรอกตุ่มเลยกว่าเราจะเลือกเป็นจะเป็นยังไงโอ้โหต้องไปคุ้กีตีงตมงกว่ามันใช่ไหมต้องอยู่กับสิ่งนั้นประจําเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมต้องอยู่ประจํา หมายความว่านิสัยไหนดีๆเราต้องอยู่กับนิสัยนั้นเป็นประจาคุกคีกับมันแล้วมันจะดีขึ้นมาเราถึงจะจัดการเลือกได้ตอนนี้จะเลือกนิสัยแบบนี้มันจะเลือกได้เราจะเป็นคน อ, อะไรรู้จักทองมาเปเราก็ต้องอยู่กับทองเป็นช่างทองนั่นแหละเราถึงจะเลอกทองเป็นเหมือนกับนิสัยคนเรามันมันยิ่งกบทองยิ่งกบเพชรนะถ้าเราฝึกว่าดีๆเนี่ยเราก็จะมีนิสัยเป็นสมบัติ ไปตลอดชีวิตเลยนะนั้นวันนี้ที่สอบอารมณ์ไปหนึ่งรอบแล้วก็หลายคนยังจับหลักไม่ได้วันนี้ตั้งใจใหม่นะยังไม่สายยังมีเวลาอีกวันนี้อยเก็บอารมณ์เข้มแล้วก็อย่าลืมว่าในช่วงปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครบังคับใครนะแต่ต่างคนต่างศึกษาปัญหาในขณะเดินปัญหาอะไรเกิดศึกษามันแก้มันในขณะนั่งปัญหามันเกิดศึกษามันแก้มันในขณะ แม้กระทั่งทำไปแล้วมันเกิดปวดหลังปวดเอวคุณอยากนอนคุณนอนได้เลยนะนอนเพื่อแก้ปัญหาแต่คุณอย่านอนยาวก็แล้วกันถ้านอนยาวเดี๋ยวเขา <c oughs> ใส่เอานอนสักพักสนาที5นาทีก็ ข, ขึ้นมาทำใหม่ไม่น่าเกลียดใช่ไหม